อีกชาติหนึ่ ง, นงเนเน เ, น เ, นเนนมิรา ช, ชาดกเนมิราชจริยาที่จริงเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในกับนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่อดีตอดี ต, ดตกับอื่นไม่ใช่เขาเรียกว่าสอาสงไขัย9 99, 9 9 9 9กับยกไว้เอาเฉพาะกับนี้อย่างเดียวว่าท่านทำอะไรบ้าง <S <s <ad> จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าให้ภาษาริบุตรและบริษัทเป็นต้นฟังอีกต่อไปว่า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 บำรุงทานบำรุงศีลบำรุงเนคธรรมะปัญญาวิรยิยะขันติสัาจจะทิ่ฐานเมตตาและอุเบกขาบำรุงบารมีเหมือนกับคนใช้ที่ซื่อสัตบำรุงเจ้านายเนี่ยนะท่านบำรงทานนักกุศลของท่านจึงได้บำรงทานน ก, กุศลของท่านตลอดการยืดยาวนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบำรง เรียว่ารบำรงอ่ะนะทันุบำรงศีลของท่านทนุบำรงเนคขมะทันุบำรุงคุณธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทันุบำรงบารมีที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมใช้เวลาไม่ใช่น้อยในอัถกถาอธิบายถึงพระเจ้าเนมิราชคําว่าเนมิกุมาเนี่ยนะเนมิเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงกษัตริย์ดุด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 ของเรา น, นี่นอกจากมีอะไรจะเป็นทารกมั้งเนาะแสดงว่าถ้าคนอายุเป็นแสนแสนปีอายุเท่าพวกเราเนี่วบอกนู้อ้ยเราอดเด็กๆจริงๆแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช8 4 0 0มสี่พันปีครองราชสมบัติอยู่อีก 84,000 ี่พปีพระเจ้ามคะมานพเอ่อพระเจ้ามคะพระองค์นี้ก็วันหนึ่งก็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 แล้วก็ไหนดูซิก็เลยเอาแหนบทองคําเนี่ยถอนมาวางไว้บนพระหัตถ์ปรงแลดูเกสาเห็นเกสางอกเข้าเนี่ยนะบางคนยังงอกไปครึ่งหัวเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยนี่งอกเส้นเดียวนะคิดเลยเกิดความสังเวชขึ้นมาว่าเทวทูตปรากฏแล้วแกเราเนาะตายแน่งานนี้เราตายแน่ไม่นานเราจะตายแล้วกันเห็นงอกเส้นเดียวเนี่ยคิดว่าจะตายแล้วเนี่ยบอกว่าเทวทูตปรากฏแล้วแกเราเนี่ยนะ เทวทูตปรากฏแล้วทูตแห่งพญายมมาบอกมาเตือนแล้วว่าอีกไม่นานเราจะตายไม่นานเราจะตายมันก่อนเห็นเด็กคนหนึ่งอายุสิบสามปีนี่แหละผมงอกไปครึ่งหัวแล้วเนี่ยนะ เ, เด็กยังเรียนไม่จบประถมเลยเนี่ยนะผมมันงอกไปแล้วเนี่ยนะเนี่ยไม่รู้แพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่รู้แต่ว่าสังเวชเหมือนกันเลยนะ <c oughs> พระราชาพอเห็นผมงอกสังเกิดความสังเวชว่าเทวทูต คือบุรุษแห่งความตายปรากฏแล้วแก่ตัวอย่างนี้ก็คิดว่าบัตรนี้เราควรจะออกบวชก็เลยพระราชทานบ้านสวยหนึ่งแก่ช่างการะบบอันนี้ทรงเรียกว่าคุณงามความดีที่บอกให้รู้ว่าผมงอกแล้วเนี่ยให้รางวัลเลยพันหนึ่งไอ้ให้รางวัลเลยแสนหนึ่งแล้วก็ ต, ตรัสเรียกเชษดทกูมารลูกชายคนโตมาตรัสว่าบัตรนี้ผมเนี่ยบนศีรษะของพ่อนี่งอกแล้ว ความชราปรากฏแล้วเทวทูตปรากฏแล้วถึงเวลาแล้วที่พ่อจะออกบวชแล้วเนี่ยนะก็มอบพระาระาชสมบัติให้พี่ว่าตนมีอายุ 84,000 ปีต่อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังสำคัญตนมายืนอยู่ใกล้ความตายจึงสลดใจมีใจชอบที่จะบวชจริงๆเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าผมงอกเนี่ยนะชีวิตของท่านดำเนินต่อไปอีก 84,000 ปีนะ อีกแปดหมี่พันปีนี่ท่านยังคิดว่ายืนอยู่ใกล้ความตายทีเดียวเนี่ยนะของเราเองแ8ดหมืี่พวันถึงไหมไม่ถึงถ้าได้8ปดหมืี่พันชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วนะก็เหลือชีวิตอยู่ไม่คนแล้วไม่กี่ชั่วโมงเองอะนะขนาดนั้นก็ยังหอีกนอนอีกนานอีกนา น, น, านทําตัวยังไม่แก่ไม่ตายประมาณนั้นกนะ็ <c oughs> อย่างที่เรื่องอะไรนะเรื่องในคาถาธรรมบทก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะ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 นะนะ ก, ก็อยู่จนอายุ50าสินนะแต่ว่าชาติที่เป็นมนุษย์ก็มีครอบครัวนะก็มีสามีมีลูกมีอะไรแต่อายุ50ปีก็ตายทีนี้ตายในภิกษุก็เศร้ากันว่า อ, อุปถาก ต, ตายแล้วเนี่ยทำไงดีกรเสียใจไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปเกิดที่ไหนเพราะเวลานางทําบุญก็ทําบุญขอไปเกิดอยู่กับสามีใช่ไหมแ้ก็ไม่เห็นว่าเด็กมาเกิดอะไรที่บ้านนี้เลยพรงค์ก็บอกว่าตอนเนี้นางไปเกิดอยู่ในสํานักสามีของนางแล้วนะในในสวรรค์ดา ว, วดึงเขาบอกงัน้น ทีนี้สามีนี่ยังไปเก็บดอกไม้ยังไม่เสร็จเลยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาเก็บดอกไม้ห้าสิบปีมนุษย์แล้วอ่ะไปยังเที่ยวเล่นในสวนทีนี้พอเห็นนางเทพพระธิดานี้กลับคืนมาก็ถามว่าเธอไปไหนมาบอกหม่อมชั้นตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์จริงเหรอปรจริงสิประมานบอกว่าตอนนี้มนุษย์อายุเท่าไหร่บอกว่าร้อยปีมันสั้นขนาดนั้นเลยหรอ1้อยปีกว่นน่ะใช่ ก็ตรวจดูเออจริงบอกแล้วมนุษย์เขาคิดยังไงกันเขาคิดว่าเขามีอายุเป็นอาสงขยปีเนี่ยเขาคิดว่าเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสีตัวเขามีชีวิตเขานิกว่าเขาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองมีชีวิตอยู่อย่างนั้นใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็ น, น, นเทวพระบุตรก็เลยสังเวชใจมากก็น่าคิดนะว่าคนที่เกิดมาในยุคชีวิตที่อายุ น, น้อยนึกว่าจะสแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีเปล่าเลย กลับประมาทมากกว่าเดิมเนี่ยนะพันก็เลยพระเจ้ามคะเทพพระองค์นี้เนี่ยนะ่วว่าพระที่สำบดีพระนามว่มามคเทพทอดพระเนตรเห็นเกษางอกบนศีรษะก็ได้สังเวชพอพระไทยที่น้อมไปเพื่อการบวชพระราชาก็ประทานโอวาทแก่โอรสลูกชายคนโตว่าลูกควรประพฤติโดยธรรมนองนี้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 แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครบวชเป็นภิกษุยังการให้น้อมล่วงไปด้วยฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในพรหมโลกโอรสของพระราชาเนี่ยครองราชสมบัติโดยทาตอนผมหงอกบนศีรษะก็บวชอีกบวชแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลูกสืบทอดกันมาอย่างเนี่ย 84,000 หย่อนไปสองอ ง, องค์ก็คือ 80,000 เท่าไหร่ 83,000 9ก้ารอเอ่อเกองค์ว่ากันโอรสของกษัตริย์องค์นั้นก็เหมือนกันทุกพระองค์เห็นเกสาผมหงอกก็ออกบวชหมดเลยครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ประฏิสถ า, านอยู่ในพรหมโลกอยู่ในพรหมโลกนานกาษัตริย์ผ่านไป8เกือบ8ปดหมพันแล้วไนงะปฏิสถานอยู่ในพรหมโลกก็รำพึงว่ากาลยานธรรมที่เราทําไว้ในมนุษยโลกยังมีอยู่หรือหนาะหรือว่ายังไม่เบนไป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 ปฏิสนที่สืบต่อวงของพระองค์ดุดกงรถกงรถก็คือวงล้อวงล้อรอบนอกอะนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนมิแปลว่าพระพราชาผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงตระกูลของตัวเองดุดกงรถในวันขนานทนามของพระโอรสนั้นพระชนกคือพ่อตรัสเรียกพราหมณ์ผู้ชํานาญในการพยากร ล, ลักษณะครั้นพราหมณ์ตรวจดูพลักษณะก็แล้วก็พยากรถวายพระพรว่า ขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระกุมานี้จะประคับประคองวงของพระองค์พระกุมานี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่มีบุญมากกว่าพระชนกมีบุญมากกว่าพระเจ้าปูมีบุญมากกว่าพระเจ้าตาก็่าวว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดมีบุญยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆทั้งหมดว่าไนพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ขนานพระโอรสวา่าเนมิพระโอรสนั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ขวนขวายในศีลและ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 ก็ได้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูพระนครอีก4แห่งท่ามกลางพระนท่ามกลางพระนครอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคมหาทานทรงบริจาควันละห0 0 0 0 0คือโรงทานละแสนแล้วก็รักษาศีล5เป็นปกติสมทานอุโบสถกรรมในวันตักคือทุกๆ15วันก็จะรักษาอุโบสถหนึ่งครั้งทรงให้มหาชนยึดมั่นในบุญมีทานเป็นต้น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 มีสี่มุกบริจาคทานแกเนื้อนกและคนเป็นต้นในที่นั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าจตุจะตุมมุขขังคือประกอบด้วยประตูสี่ประตูในสี่ทิศเพราะไม่สามารถจะทำทานให้สิ้นสุดไปโดยเพียงประตูเดียวเท่านั้นและให้ทายธรรมถึงที่สุดเพราะโรงทานใหญ่มากและเพราะทัยธรรมผู้ขอก็มากจึงให้ทางให้สร้างประตูใหญ่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 บางคนนะั้นมีใจตรณีบอกโอ้ยเราจะต้องให้ขนาดนั้นเลยหรือถ้าหากว่าพระองค์มีใจมัชฌิริยะตรณีทีทเหนียวแบบนั้นพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้อย่างไรถ้าหากว่าพระองค์มีใจอยู่ด้วยริษยามีใจอยู่ด้วยความตรณีแต่เนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีความริษยาอยู่ภายในไม่มีความตรณีอยู่ภายในปราถนาจะให้สัต์เจริญรุ่งเรือง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 อาหารต่างๆนะเท่าที่หาได้ในยุคนั้นนะนะอภดชินนางกริฏวานะกระทําไม่ให้ขาดสายคือกระทําไม่ให้ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนเริเ่มตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นอายุเนี่ยนะเรียกว่าเป็นการให้ทานแบบให้ทานจนตายอยงั้นนะนะนที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งตายแล้วโรงทานก็ยังเป็นไปอยู่บางคนเนี่ยแต่อย่างนะั้นนะ